เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่6เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรม น่าเป็นวันจั ก, กรีเป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่สาธุชนพุทธบ ร, ริษัทไม่ต้องไปทํางานทําการมีเวลาว่างมาวัดเป็นวันกำไรบุญเพราะถ้าไม่เป็นวันหยุดราชการญาติโยมก็จะต้องไปทํางานทําการ ก็จะไม่ได้มาทำบุญกันบุญนี้ก็มีความสำคัญเท่าเๆกับเงินทองที่พวกเราหากันอยู่ในขณะนี้และมีความสำคัญมากกว่าด้วยเพราะว่าบุญนี้ให้ความสุขใจส่วนเงินทองให้ความสุขร่างกายความสุขของร่างกายนี้ สู้ความสุขของใจไม่ได้ความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของร่างกายเช่นเดียวกับความทุกข์ของร่างกายก็ไม่ทุกข์ไม่เท่ากับความทุกข์ของใจใจจะสุขใจจะทุกข์อยู่ที่มีบุญมากหรือมีบุญน้อยร่างกายจะสุขจะทุกข์ ก็อยู่ที่ว่ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยคือมีเงินไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายถ้ามีเงินพอเพียงซื้อปัจจัยสี่ได้พอเพียงร่างกายก็จะไม่ทุกข์ร่างกายก็จะอยู่อย่างสุขสบายบุญก็เหมือนกับปัจจัยสี่ของจิตใจจิตใจถ้าไม่มีบุญ ก็ไม่มีปัจจัยสีเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเงินซื้อปัจจัยสีใจของเราก็จะทุกข์และจะทุกข์มากกว่าความทุกข์ของร่างกายความทุกข์ของร่างกายนี้ท้าหนึ่งเท่าความทุกข์ของใจนี้ร้อยเท่าเราจึงต้องให้บุญกับใจเพื่อใจของเราจะได้ไม่ทุกข์จะได้มีความสุข มากกว่าความสุขทางร่างกายถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเวลาร่างกายทุกข์ความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่สะเทือนใจจะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเพราะใจมีความสุขความสุขร้อยเท่ากับความทุกข์หนึ่งเท่านี่มันลบล้างกันได้อย่างสบายในทางตรงข้าม ถ้าเรามีความสุขทางร่างกายหนึ่งเท่าแต่ถ้าเรามีความทุกข์ทางใจนี้เราจะทุกข์ร้อยเท่าความสุขทางร่างกายนี้จะไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ทางใจได้เลยต่อให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเงินร้อยล้านพันล้านนี้ ดับความทุกข์ใจไม่ได้พวกเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาสร้างบุญกันเพราะบุญนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของทางร่างกายร่างกายต้องการอาหารใจก็ต้องการอาหารอาหารของใจก็คือการทำบุญให้ทานอย่างที่ญาติโยมมาทำกันอยวาวันนี้ เอาข้าวของต่างๆมาถวายพระเรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทานร่างกายต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใจก็ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลศีลห้าศีลแปดศีลสองร200ยิบเจยิ่งรักษาศีลได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสวยงาม ยิ่งมีความน่ารักมากขึ้นไปเท่านั้นความสวยงามของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความสวยงามทางร่างกายถ้าร่างกายสวยด้วยเสื้อผ้าอา่อนแต่ใจไม่สวยก็จะไม่มีใครน่ารักไม่มีใครชอบแต่คนที่สวยทางใจถึงแม้ไม่สวยทางร่างกายกับจะมีคนชอบ เพราะความสวยของใจนี้เป็นความสวยที่มีอนุภาพมากมีแรงดึงดูดมากระหว่างคนที่มีสินกับคนที่ไม่มีสินใครจะสวยกัากันใครจะเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีคนที่ฆ่ากับคนที่ไม่ฆ่านี้ใครจะดีกว่ากันคนที่รักทรัพย์กับคนที่ไม่รักทรัพย์ใครจะสวยกว่ากันคนที่ประพฤติผิดประเวณี กับคนที่ไม่ประพฤติผิดประเวณีใครจะสวยกว่ากันคนที่พูดโกหกกับคนที่ไม่พูดโกหกใครจะน่ารักกว่ากันคนที่เสืรสุรายาเมากับคนที่ไม่เสพสุรายาเมาใครจะเป็นคนที่น่าชื่นชมกว่ากันนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นความสวยงามของใจ กับความสวยงามของร่างกายร่างกายสวยด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวทำเเผาทำผมแต่งหน้าทาปากเสริมด้วยน้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความสวยทางร่างกายถ้าผู้เห็นแรกๆก็จะชื่นชมยินดีอยากจะรู้จักแต่ถ้าไปพบกับความไม่สวยงามของใจ ความสวยงามของร่างกายก็จะไม่มีความหมายต่อให้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ราคาแพงแพงมีรูปหน้าหน้าตาเหมือนดาราภาพยนตร์แต่ถ้าเป็นคนไม่สวยงามทางจิตใจก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกายกับของใจ ร่างกายก็ต้องมีแต่ไม่ควรที่จะไปหลงเสียเวลากับการหาเสื้อผ้าเสียเวลากับการเสริมความงามทางร่างกายเพราะว่ามันเป็นความสวยงามที่ไม่ดูดดื่มใจเหมือนกับความสวยงามทางจิตใจสู้เอาเวลาเวลามาทุ่มเทให้กับการรักษาศีลกันดีกว่าพยายามรักษาศีลให้ได้ อย่าไปทำบาปแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครจะมีแต่คนรักคนชอบจะไม่มีคนรังเกียจ น, นี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอภารรคคือสีนของใจคนที่มีสินคนที่มีความสวยงามทางใจมักจะไม่ค่อยให้ความสาคัญทางร่างกายเช่นพระพุทธเจ้า ของพวกเรานี้ก็สวยงามทางใจสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมแต่ร่างกายท่านกลับไม่ให้ความสำคัญกับมันแทนที่จะไหวเเผาไห้ผมให้ยาวท่านก็โกนทิ้งไปเลยตัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเ้ผผมถ้ามีผมยาวก็ต้องมีภาระต้องมาดูแลต้องคอยซักคอยหวีคอยดัดคอยตัด คอยเตใส่น้ำมงใส่น้ำมันใส่อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดถ้าไม่มีไม่มีผมแล้วก็สบายอาบน้ำก็ไม่ต้องเช็ดอาบน้ำใช้สบู่ก้อนเดียวก็พอไม่ต้องใช้ยาซักฟอกผมแชมพูนี้เสียเวลาไปาเปล่าๆแล้วสระผมเสร็จกว่าจะแห้งก็ต้องมาเป่ามาทำอะไรมันอีก เสียเวลาไปมากมายกับความที่ไม่เป็นประโยชน์กับใจของเราความสวยงามนี้ทางร่างกายนี้ไม่เป็นเยียวยประโยชน์มากเหมือนกับความสวยงามทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระปลงผมทุกสาวันทุกหนึ่งเดือนตัดผมปงผมทิ้งไปความสวยงามของพระไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตา ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอภาพรผ้านี้ก็ในสมัยพุทธกาลก็เป็นผ้าที่เก็บมาจากกองขยะเก็บมาจากป่าชา้าเรียกว่าผ้าป่าสมัยก่อนสมัยเริ่มแรกนี้ไม่มีใครถวายผ้าจีวรให้กับพระผ้าต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะหรือที่เป็นผ้าหอ่อศพทิ้งไว้ในป่าชา้า ก็จะไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บมาเป็นจีวรแล้วก็ใช้แกนแกนไม้ต้มแก่นไ ม, นไม้เอาน้ำที่ได้จากการต้มแก่นไม้นี้มาย้อมเป็นสีก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนี่คือเครื่องนุ่งหมของคนที่สวยงามทางจิตใจไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลา กับความสวยงามทางร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะสวยงามทางจิตใจพวกเราก่าวว่าพระพุทธเจ้าพระสมฆ์มองค์เจ้าได้กันอย่างสนิทใจเพราะเราเคารพเรารักความสวยงามทางจิตใจเรารู้ว่าพระนี้ไม่โกหกหลอกลวงพระไม่ลักไม่ขโมยพระไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดื่มโซรายาเมา ไม่ประพฤติผิดประเวณีไปอยู่กับใครก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีของใครภรรยาของใครนี่คือความสวยงามทางใจผู้ที่มีความสวยงามทางใจจึงไม่ค่อยจะกังวลกับเรื่องความสวยงามทางร่างกายเท่าไหร่และความสวยงามทางใจนำความสุขมาให้มากกว่าความสวยงามทางร่างกาย เพราะความสวยงามทางใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับความสวยงามทางร่างกายจะอยู่ไปอายุมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังสวยงามอยู่เพราะศีรนี้ไม่มีวันเสือ่อมวันแก่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ก็สวยงามตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พอเริ่มเข้าวาัยชราความสวยงามทางร่างกายก็จะหายไป แ่นที่จะสวยงามกลับกลายเป็นไม่สวยงามไม่น่าดูน่าชมเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมไปดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะให้คนเขารักเขาชอบเราแบบไม่มีวันเสื่อมคลายขอให้เรารักษาสีไว้ให้ดีเถอแล้วไม่ว่าร่างกายเราจะสวยงามหรือไม่สวยงาม จะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นคนแก่จะมีคนรักเราเสมอถ้าราถ้าเราเอาแต่ความสวยงามทางร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่มีใครสนใจไม่มีใครเขาจากจะอยู่กับเราดัางนั้นขอให้เรามาสร้างความสวยงามที่แท้จริงกันคือมาสวยกันทางจิตใจ นี่คือเรื่องของเครื่องนุ่งหองของใจส่วนเรื่องของอาหารของใจก็คือการทำทานนี้เวลาเรามาทำทานเราเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละประโยชน์ที่เราควรจะได้รับเอาความสุขมาให้แก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการทำทานการทำบุญของ ญาติอยู่เพราะพระไม่มีอาชีพไม่มีเงินมีทองไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารไม่มีเงินที่จะไปซื้อเครื่องนุ่งห่มต้องอาศัยการเสียสละการแบ่งปันของญาติอยู่การให้นี้จะทำให้ผู้ให้นี้มีความสุขใจอิ่มใจ เวลาให้แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้จะมากจะน้อยก็อยู่ที่สิ่งที่เราให้ว่ามากหรือน้อยส่วนหนึ่งแล้วอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือให้ด้วยการมีเงื่อนไขถ้าให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้เพื่อให้ผู้รับมีความสุข ไม่ต้องขอบใจไม่ต้องทำอะไรให้เป็นการตอบแทนอันนี้จะได้ความสุขมากแต่ถ้าให้เนาหวังผลตอบแทนจากผู้รับอยากจะให้เขาขอบใจเราอยากจะให้เขาเคารพเราอยากจะให้เขาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอยากจะให้เขาดีกับเราถ้าเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเสียใจแทนที่จะได้ความสุขใจอิ่มใจ กับเสียใจถ้าเราทําบุญทำทานนี้เราต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทําโดยที่ไม่ต้องการรับอะไรจากผู้ที่เราให้เขาส่วนถ้าเขาอยากจะทํอะายตอบแทนให้กับเรานี้เราก็ไม่ว่าอะไรทําได้ถ้าเราให้ของแล้วเขายกมือไหว้ขอบใจก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่ยกมือไหว้ไม่ขอบใจก็ได้ไม่เป็นไร เพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเราต้องการความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละวันนี้เรามาเสียสละเงินทองไปก้อนหนึ่งเงินทองก้อนนี้ถ้าเราไม่ได้มาทำบุญแล้วเกิดหายไปนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเวลาเงินหายนี่เราจะรู้สึกเสียใจแต่เวลาเรามาทำบุญเรากลับดีใจกลับมีความสุขใจ อันนี้คือเรื่องของการให้เวลาให้ต้องให้ด้วยความยินดีและไม่ต้องการที่จะมีเงื่อนไขบังคับผู้รับว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะถ้าเป็นการบังคับก็เป็นเหมือนกับการซื้อขายเวลาเราไปซื้อของที่ร้านเราก็บังคับให้เขาเอาของที่เราต้องการให้กับเราแล้วเราก็ให้เงินเขาไป อย่างนี้เราจะไม่รู้สึกอิ่มใจสุขใจแต่อย่างใดเพราะเราต้องการของตอบแทนเราได้ของตอบแทนแต่ของที่เราได้ตอบแทนนี้กับไม่ได้ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเวลาที่เราให้โดยที่ไม่ต้องการรับของตอบแทนการทำบุญทำทานที่แท้จริงที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงจึงต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นสิ่งตอบแทนต้องการเสียสละต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราในใจของเราแล้วสิ่งที่เราให้นี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันที่เราสามารถที่จะให้ได้อย่างที่ญาติโยมาทำวันนี้เรียกว่าวัตถุทานเอาข้าวของเงินทอง กับข้าวกับปาอาหารมาให้กับพระนี้เรีย ก, ว, ก ว, ว, ว่าการให้วัตถุวัตถุทานทานแปลว่าการให้วัตถุก็คือสิ่งของต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าการทำวัตถุทานถ้าเราไม่มีวัตถุไม่มีเงินทองเรายังสามารถทำทานได้เช่นถ้าเรามีวิชาความรู้ เรามีความรู้ภาษาต่างประเทศเราก็เอามาสอนคนที่เขาอยากจะเรียนสอนโดยที่ไม่คิดเงินคิดทองอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานหรือว่าถ้าเราไม่มีความรู้แต่เราอยากจะสนับสนุนให้ผู้อื่นมีความรู้เราก็ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้อื่นก็ได้คนที่เขายากจนเขาอยากจะเรียน แต่พ่อแม่ไม่มีเงินทองที่จะสนับสนุนเรามีเงินทองเราอยากจะให้คนมีมีความศึกษามีวิชาความรู้เพราะเขาจะได้ใช้ความรู้นี้ไปทำมาหากินทำสำ ม, มาชีพไม่ไปสร้างปัญหาให้แก่สังคมคนที่ไม่มีวิชาความรู้มักจะต้องไปทำผิดกฎหมายไปทำบาป ไปสร้างความเดือดร้นอนเพราะความต้องการเงินทองนี้มีมากและไม่สามารถหาตามความสามารถของตนได้ก็เลยมักจะต้องไปลักขโมยไปช่อโกไปโป้นไปจี้และอาจจะไปฆ่าผู้อื่นได้ต่อไปแต่ถ้าเราให้ทุนการศึกษาแก่เขาเขาก็จะมีโอกาสได้ร่ำได้เรียนได้มีวิชาความรู้ พอเขามีวิชาความรู้เขาก็จะสามารถไปทางานที่มีรายได้ดีได้ก็ทำให้เขาไม่ต้องมาทำบาปทำกรรมมาทำผิดกฎหมายกันเราก็จะได้ประโยชน์สองต่อประโยชน์แรกก็คือเกิดจากการเสียสละเงินทองประโยชน์ที่สองก็คือทำให้สังคมที่เราอยู่นี้ดีมีคนที่เป็นคนทำบาปน้อยลง นี่คือเรื่องของวิทยาทานถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีความรู้เราก็เอาความรู้นี้มาสอนแก่ผู้อื่นก็ได้ความรู้มีหลายแขนงด้วยกันรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็สอนไปรู้ทางภาษาก็สอนไปรู้ทางทำกับข้าวกับปลาก็สอนไปรู้ทางทําขนมนมเนยก็สอนไปสอนโดยที่ไม่คิดเอาเงินเอาทอง เราก็จะได้รับความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ก็มีวิชาความรู้ต่างๆแล้ ว, วการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ธรรมทาน<ม>คือให้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเรามาวัดกันนี้เวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เรียกว่าเรากำลังรับธรรมทาน ผู้แสดงธรรมนี้แสดงธรรมโดยไม่เก็บเงินเก็บทองไม่มีไม่มีการเรียรายไม่มีการเรียกร้องเก็บเงินเก็บทองจากการแสดงธรรมธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้พิเศษเป็นความรู้ที่สำคัญกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เพราะความรู้ในโลกนี้จะยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้ แต่มีความรู้ของ พ, พ่อพรเจ้าเพียงความรู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเรามีทมอยู่ในใจของเราแล้วเราจะไม่ต้องร้องห่มร้องห้าเราจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของการพัาดพลาด จากของที่เรารักจากคนที่เรารักหรือเรื่องของการที่จะต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบนับรองได้ว่าถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจของเรานี้จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆท่านถึงบอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทัท้งปวงให้เงินให้ทองก็ดับความทุกข์ไม่ได้ ให้วิทยาทานก็ดับความทุกข์ไม่ได้แต่ให้ธรรมะนี้ดับความทุกข์ได้แต่ก่อนที่เราจะให้ธรรมะได้เราต้องมีธรรมะก่อนวิธีที่จะทำให้เรามีธรรมะก็คือเราต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะดับความทุกข์ใจต่างๆได้พอเราดับได้แล้วเวลามีคนเขามีความทุกข์ใจเข้ามาปรึกษาขอความขอความช่วยเหลือเราก็สอนเขาด้วยธรรมะได้สอนให้บอกให้เขาเห็นว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้ แต่ความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์เวลาเรามีความอยากเราจะทุกข์เช่นเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะได้หรือไม่ได้เราจะไม่เสียใจเราอยากจะไม่แก่ เราก็จะทุกเวลาเราแก่เราอยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะทุกเราอยากไม่ตายเวลาจะต้องตายเราก็จะต้องทุกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเราแก่เราจะไม่ทุกเวลาเราเจ็บเราจะไม่ทุกเวลาเราตายเราจะไม่ทุกนี่คือเรื่องของ เรื่องของความทุกข์ความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากการพัาดพลากจากกันไม่ได้เกิดจ nice. ากการถูกเข้าด่าคขรหานินทาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ให้เขาคขรหานินทาเราอยากให้เขาชมเราเวลาเขาไม่ชมเราเราก็ทุกข์แล้วเวลาเขาด่าเราเราก็ทุกข์แล้ว เพราะเรามีความอยากไม่ให้เขาด่าอยากให้เขาชมนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมาละความอยากต่างๆเหล่านี้ให้ได้อยากไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไปอยากให้เขาชมอยากไปอยากให้เขาไม่ด่าเราเราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกนี้มีสิ่งต่างๆที่เราห้ามไม่ได้ คำชมคำด่าของผู้อื่นนี้เราห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกกับความขาลหานินทาของผู้อื่นได้ด้วยการหยุดความอยากของเราวิธีที่เราจะหยุดความอยากของเราเราก็ต้องมา นั่งสมาธิกันฝึกนั่งสมาธิกันเพราะสมาธินี้เป็นเหมือนเบรกของใจเบรกความอยากได้เหมือนกับรถยนต์รถยนต์ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดรถยนต์ไม่ได้ฉันใดใจของเราก็ต้องมีเบรกมีสมาธิถึงจะหยุดความอยากได้นี่คือสาเหตุทำไมพวกเราจึงต้องมาวัดมาหัดนั่งสมาธิกันเพราะว่า ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะหยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ใจได้เราจะไม่ทุกกับกรรมคารหานินทาต่างๆเราจะไม่ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายของเราเรื่องเรื่องร่างกายของคนอื่นเราจะไม่ทุกเพราะเราจะไม่ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรารู้ว่า ความแก่ความเจ็บความตายนี้เราห้ามไม่ได้เกิดมาแล้วต้องเจอกันทุกคนหนีไม่พ้นแต่เราหนีความทุกข์ได้เราดับความทุกข์ได้ด้วยการหยุดความอยากของเรานี่คือสิ่งที่ไม่มีใครสอนในโลกนี้ถ้าไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราจะสร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราจะมีความอยากขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วความอยากของเราก็ไม่หมดด้วยทำตามความอยากก็ยิ่งทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเดืเอยวิธีที่จะทำลายความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของใจที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้ทําบุญทําทานเพื่อให้อาหารรักษาศีลเพื่อให้เสื้อผ้าสะอาร นั่งสมาธิเพื่อหยุดใจดับความทุกข์ใจฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆถ้าเรามีปัจจัยสี่ของใจแล้วใจของเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บของใจคืออะไรก็โรคเครียดโรคความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไม่เครียด ใจของเราจะนิ่งจะสงบจะสบายตลอดเวลาใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปใครจะตายก็ปล่อยเขาตายไปถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยต่จะไม่นั่งมานั่งเครียดมานั่งทุกข์มากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันคือมาสร้างบุญสร้างคุสม เพื่อใจของเราจะได้มีที่พึ่งมีที่ดับทุกข์กันที่พึ่งที่จะดับทุกข์ของใจก็คือ 1. การทำทาน 2. การรักษาศีล 3. การนั่งสมาธิ 4. การฟังเทศฟังธรรมขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ในใจของเราจะน้อยลงไปความสุขในใจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยจะมีความสุขตลอดเวลาเหมือนกับใจของพ่อพระเจ้าใจของพระ อ, อาลันตัสาวกใจของท่านไม่มีความทุกข์เลยมีความสุขตลอดเวลาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออุตติไว้เพียงท่านนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล